สังสารวัฏหนึ่งไปสู่สังสารวัฏหนึ่งแต่ไม่พ้นจากการจากขันสู่ขันจากอยายตนะสู่อยายตนะจากท่าสู่ท่าเลยนั้นขันอยนายตนะท่าเต็นไปไม่ขาดสายอยู่นั่นแหละแต่เอาพบเป็นตัวกัน้นหนีเลยสังสารวัฏนะยังนี้มันก็เริ่มได้ได้มุมการเห็น <c oughs> <c oughs> อย่างนี้พิจารณาไปเห็นทุกข์สษัตริย์ไ มนุษย์นี่ในเรื่องสังสารวัตรนี่ตัดไม่ขาดเนี่ยต้องใช้มีดระดับอาอาลาดมักถึงจะตัดขาดเออจะเชิญ ช, ชวนเนี่ยอม า, มาเลยเชิญชวนมาพอเจอคำสอนพระเจ้าเนี่ยอันมาก็เชิญชวนคนให้ตัดสังสารวัตรมานา น, นนึงบอกอย่าไปตัดกรรมเลยตัดสังสารวัตดีกว่าใช่ไหมอันนี้ตัวสัสงสารวัตตัดกรรมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ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 โอ้ต้งชี้อย่างนี้เลยนะนี่เห็นแล้วแล้วอย่าลืมดูตัวเราด้วยล่ะใช่ไหมนี่เห็นแล้วใช่ไหมนี่นี่เป็นสัจจาอะไรบ้างเนี่ยเห็นทุกข์กษัตริย์เลยนะแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีโลกใบนี้มาเกิดขึ้นมานี่สมุทัยสัจจาเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นความเป็นไปของสังสารวัฏของโลกใบนี้แล้วนั่นกาลังขยับเขยื่อนอยู่นะเห็นไหมเนี่ย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 นี่เข้าใจไหมเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนี่อัตยาสายที่ฟังเนี่ยจะเป็นปัจจัยงานบรรลใุใช่ไหมใช่ไหมฟังไว้เถอะตั้งใจฟังไว้เถอะวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราอัตยาสายปลูกฝังไว้แล้วศรัทธาลมก็ได้ยินแล้ว